พระธรรมเทศนาลำดับที่ยี่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่ามะม่วงไม่มีผลคนไม่มียศวันนี้เป็นวันนัดประชุมในระหว่างไม่ใช่วันพระเราเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ต้องอยู่ในกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้เนี่ยที่ผมเคยกล่าวเคยพูดว่าศีลและวินยัยถ้าพวกเราจะมีศีลอย่างมีวินยัยคุ้มครองพวกเรายอยู่ในกฎระเบียบของพระธรรมวินยัยพวกเรายังเคารพในหลักพระธรรมวินยัยเรายังศึกษาหลักธรรมวินัยมาปฏิบัติอยู่เราสำรวมในศีลในวินัยอยู่ ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ราบนั้นถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาหรือเราไม่ได้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระไม่มีสิ่งวันนี้ทั้งหมดทั่วประเทศทั่วโลกพระพุทธศาสนาก็เริ่มหมดลงไปหมดต่อไปไม่มีผู้อยู่ภายในจากนั้นก็กฏระเบียบไม่มีแล้วมีแต่ทำคำสอนที่พวกเรายังยงกย่องนับถืออยู่ ต่อไปไปจืดจางหายไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดก็หมดเพราะไม่มีผู้พานําประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาสู่จุดนี้แล้วก็ขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จริงจังและจริงใจเราหาโอกาสจะไนิหาได้ยาก ถึงจะเป็นเป็นโอกาสที่ผมคืนเป็นไม่เป็นที่พอใจเราก็ให้รู้ว่ากิเลสของเราภายในใจเนะี่ยมันต่อต้านมันไม่ให้มันไม่ให้เราไปในทางที่ดีเราไม่ให้ไปในทางที่ถูกต้องเรากิเลสไม่ให้เราไปในทางตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้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 ทำไมจะมารบ ก, กวนท่านก่อนที่ท่านเ็กจะได้จัดรู้ทาไมพยามารจึงมารบ ก, กวนท่านถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้วปัญหาราคะอรดีก็คือกิเลสภายในพระไทยของพระองค์เองใจของพระองค์เข้ามา นึคิดขึ้นมาเมื่อนึกคิดขึ้นมาแล้วก็ท่านต้องเอาทำธรรมะคือความในใจของพระ อ, องค์ออกไปต่อสู้คือสัจจะคือความจริงจังและจริงใจที่มุ่งมั่นต่อสู้มุ่งมั่นต่อมรรคนิพพานของพระ อ, องค์เอาเอาชนะกิเลสพยามาทกับกิเลสโลภโกรดหลงๆได้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 กิเลสภายในใจของเราเนะ่ะความไม่พอใจของเรามันมีอยู่ในใจของเราจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างกินตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจพูดคิดตามอาเภอใจเข้ามาบวชและ้วจะสบายอกสบายใจเลยโดยที่ไม่ฝืนโดยที่ไม่คิดกัน้นกรองไตรตรองโดยเหตุและผลโดยที่ไม่ตัดขาดทางด้านจิตใจ พวกท่านทั้งหลายยาหวังเลยว่าความสุขจะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกับเราเข้ามาบวชก็จะเหมือนกระลมโซเอาไว้โซมันยังคล้องอยู่กับต้นของมันก็คือคเป็นฆราวาสญาติโจมอยู่ในบ้านในเรือนของเราโซมันมัดไปหยุดในต้นเสาบ้านอยู่ล่ามมาไว้มาอยู่ในวัด เราจะจะได้ความสุขทางด้านจิตใจเราต้องตัดโซ่ตัดทั้งหมดอย่าไปคิดถึงเรื่องของคารวะเรื่อวนี้เป็นเราเป็นอิสระเราเป็นนักพจนักบวชเราตัดออกจากคารวะแล้วไม่ต้องคิดตัดสลัดทิ้งเลยพราะพระตเจ้าท่านเป็นบรมกษัตริย์ท่านยิ่งกว่าเรานั่นเองท่านยังตัดเรานี่คือใคร รวยกว่าพระพุทธเจ้ามั่งมีกว่าพระพุทธเจ้าจุดฐานบรรดาสุขสูงส่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เขเราทําไมถ้าเปรียบเทียบกันเลิกเหมือนกับขี้เล็บดําตนเองที่สมบัติของเราการเป็นอยู่ของเราทําไมเราจึงไปติดไปคล้องไปแวะถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่โง่จนเกินไปต้องสอนตนเองอย่างนั้นจากนั้นเราก็ตัดตัดที่ใจของเรา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 เหยียบยําทำลายหัวใจของเราอยู่ตลอดอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หนีออกพยายามหนีออกจากทุกอกิเลสยังล่ามโซ่ไว้ตอนนั้นเองเพียงแต่ตัวเองมาอยู่ในมัดเป็นโซในเส้นมหึมาะมัดใส่เสาบ้านไว้อยู่เราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเราตัดโซ่ได้แล้วนั่นเราจะเป็นอิสระในการคิดในการเป็นอยู่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 พอบวชแล้วก็ไปบาเพ็ญแต่ก็กลับมาอยู่ที่วัดป่าเชดตะวันกุฏิที่รองรับพระนวกะหลังหลังอยู่ทางมุมหลังของวัดป่าเชดตะวันท่าห้าร้อยเวลากลางคืนก็ตึกนึกคิดไปในการมกิเลสพระพุทธองค์รู้ ท่านตรวจดูตัวอุปหะเหล่านี้ตรึกไปในทางกามกิเดศหมกมุ่นไปในคิดไปในทางการมัคคิเลศท่านบอกให้พระอา น, นุ์ไปเรียกพระเหล่านั้นมาทั้งหมดมาประชุมพอมาประชุมเสร็จแล้วพวกท่านทั้งหลายก็ามาบวชในศาสนาตถาคตเราสอนให้พวกท่านทั้งหลาย เห็นโทษเรื่องการมักิเลตทําให้วกปนเวียนหมุนเวียนอยู่ในโลกวตฏสงสารเรื่องการตัวนี้แต่พวกท่านท่านหลายทําไมจึงมาตรึกลึกคิดอยู่ตลอดพวกท่านท่านหลายถึงไม่ทําไม่ตัดทําไมไม่ทําไมจึงไม่เห็นโทาานนษแบบบัณฑิตในครั้งก่อน ท่านเห็นโทษซะก่อนนะท่านจึงตัดออกจากกิเลสเหล่านี้ได้แต่พวกท่านยังเห็นคนอยู่พวกท่านจะหนีมีไม่พ้นแต่พระที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็เลยกลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข้าที่พระท่านตัสออกจากกิเลสได้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัศของราชสมบัติ ท่านเสด็จไปอุทยานพอไปไปอุทยานแล้วไปเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งอยู่ในอยู่ในสวนอุทยานตรงที่ประตูเข้าอุทยานท่านเห็นต้นมะม่วงต้นนั้นแล้วท่านนั่งบนหลังช้างท่านก็เอามะม่วงหักมะม่วงออกมา จากนั้นถ้าเอาเข้าไปในสวนอุทยานจากนั้นถ้าก็แบ่งให้บริษั ท, บ ร, ษทบริวารของพระ อ, องค์ใครใครก็ไปริมรถพรองค์มะม่วงตัวนี้รสอร่อยดีมันดีอร่อยดีต่างคนก็ต่างชอบใจพอกลับออกมานะ่ยคนที่เห็นว่าพระเจ้าไปดินเอากอดเนี่ยพวกน้นก็ออกมานี่ต้นมะม่วงตัว น, นั้นเลยย่อยยับไปหมด ปูยี่ปูยำไปหมดเลยแล้วมดหม ด, ห ม, ด, ห ม, ดมะม่วงก็หมดกิงก็หักย่อยยับไปหมดตอนนี้พลาชาท่านเสด็จมามาถึงท่านก็เลยลงจากหลังหลังช้างท่านก็จะดูดูต้นมะม่วงที่รสมันอร่อยนะั้นเป็นยังไงพอที่ไหนได้พอเห็นโอ้แตท่านก็มองดูต้นอื่นอีกบริเวณนะ แล้วก็มองดูตัวนี้อีกมองอยู่น่ะยืนมองแบบบริษัทบริวารอะไม่รู้ว่าพร ะ, พระเจ้าแผ่นดินดูอะไรมองอะไรแต่ในใจของพระ อ, องค์ท่านพระ อ, องค์มองว่าโอ้ต้นมะม่วงต้นนี้ที่ย่อยยับเพราะอะไรเพราะมีผลเป็นหลักเพราะมีผลเพราะมีผลเป็นเหตุถ้าต้นอื่นเขาไม่มีผลมะม่วงไม่มีผลไม่ออกลูกนะต้นอื่นอยู่ข้างๆ แต่ก่อนเขาก็ดูดูแล้วไม่สวยงามเหมือนต้นนี้แต่ต้นนี้เนี่ยสวยงามมากพุ่มก็ดีใบก็ดีแล้วก็มีดอกมีลูกอีกต่างหากมีผลมะม่วงอีกต่างหากดูแล้วต้นมะม่วงต้นนี้สวยงามแต่บัดนี้ต้นมะม่วงต้นนี้สู้ต้นอื่นไม่ได้ต้นอื่นเขาสวยงามกว่าต้นนี้ปูยี่ปูยำกิ่งหักไปหมดผลมะม่วงก็ไม่มีพระองค์ก็ยืนดูองค์ทำสังเวช จากน่านท่านก็พิจารณาถึงอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขอนาตาไตรลักเปลี่ยนาเห็นไตรลักษ์ตัวไหนพระเจ้าแผ่นดินท่านเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงจึงไหนเป็นไม่เที่ยงจิงนั้นเป็นทุกสิ่งไหนที่เป็นทุกจะไปว่าตัวตนได้อย่างไรพระองค์สอนพระองค์ในใจเราเป็นอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เรามีลาบมียศมีสนเสริญมีสุขคนทั้งหลายก็แย่งอยากจะได้อย่างเราก็แย่งข้าฟันรันแทงต้นลบลาค้าฟันกันลบค่าสึกกันแย่งประเทศชาติกันปมหากษัตริย์แย่งมหาษัตริย์แย่งประเทศกันเพราะอะไ ร, เพ ร, ะรเพราะลาบเพราะลาบเพราะยศเพราะสนเสริญเพราะสุขต้นมะม่วงย่อยยับเพราะอะไร เพราะมีผลถ้าว่าเราออกสา ร, ราสสาสมบัติซะเราไม่มีไม่มีอะไรเราจะมีความสุขไหมเพราะไม่มีอะไรถ้าเราจะมีราาสมบัติอยู่ทั้งมีบริษัทบริวารอยู่ใครๆก็จะอยากจะแฉแย่งชิงราจะาจบันหลัง ที่เราเป็นทุกอยู่ทุกวันนี้เตรียมท้งโงเตรียมทหารเตรียมอุ ป, ปกรณ์ต่อสู้รบตกสึกอยู่นี้เพราะเรามีเรามีราบยศจนะเสร็จุกแต่เราสละไปแค่อยู่ตามลําพังอืมเพราะสิ่งเหล่านี้นมันไม่เที่ยงสิ่งไันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อยู่แล้วเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทําให้เราจึงมา สนใจอยู่อย่างนี้เห็นไหมต้นมะม่วงต้นนี้ที่ย่อยยับไปพรเะอะไรเพราะผลของมันเราก็อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องย่อยยับเพราะคนทั้งหลายไอ้เจ้าแผ่นดินลูกเมืเมืองต่างๆแถ้าไม่พอใจก็คงจะมาลุ่มเหมือนกับต้นมะม่วงต้นนี้พระองค์ก็ยืนดูขณะนั้นได้ สำเร็จตัดรู้เป็นพระปฏิเจตพุทธเจ้านะท่านเห็นอนิจจังพระปฏิเจตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านได้ตัดรู้เป็นพระปฏิเจติพุทธเจ้ายืนอยู่ที่นั่นพปยืนที่นั่นจากนั้นมาท่านก็บอกว่ า, วาอํามาตย์ผู้ใหญ่ก็แล้ว่ า, วาพระพุทธองค์พระเจ้าขา่าพระองค์ยืนอยู่นานแล้วเขาเชิญเสด็จกับพระนกระเจ้าค่า พระเจ้าเป็นดินบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเราเป็นปจเจพุทธะอมารคนนั้นก็นกราบทูลขึ้นว่าปจเจพุทธะต้องป่งผมพระเจ้าค่ะต้องมีผ้ากาสาวะผ้าย้อมฝาดมีอัฐบริขารอันนั้นคือปัจจภาพปจเจแล้วไปไปอยู่ถ้ำบนเขาคันธมาศ ป่าหิมะพานเป็นกลุ่มพระปัจเจอันนี้พระองค์จังเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่พระเจ้าค่ะพอพระเจ้าแผ่นดินได้ยินท่านั้นท่านก็นตั้งจิตอธิษฐานรูปศีรษะของท่านผลของท่านล่วงหมดเลยจากนั้นบริขารก็ลอยมาลอยมาสวมท่านท่านก็บอกเนี่ยเราเป็นปัจเจผพุเทอแล้วนะเราสละอาสสมบัติแล้ว พวกท่านกลับไปเราจะไปตามลำพังแต่นั้นพระพเจ้ก็ห อ, อกไปอยู่ตามลำพังกับกลุ่มพระพุพทธเจ้านะี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกว่าพวกท่านจะตรึกตรองยินดีเรื่องการมักิเลตกกบเหมือนกับต้นมะม่วงที่มันมีดอกทั้งที่มันที่มันมีผล ผลนั่นแหละมันฆ่าตัวเองถ้าพวกท่านทั้งหลายยังยินดีในรูปเสียงกินรสสัมผัสอยู่นั่นแหละรูปเสียงกินรสนั่นแหะจะฆ่าพวกท่านเองพวกท่านท่านทั้งหลายต้องพิจารณาดูให้ดีให้เห็นโทษถ้าพวกท่านไม่เห็นโทษพวกท่านจะไม่พ้นจากโทษพวกท่านจะอยู่มุกมุ้นอยู่ในโทษ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 แต่พระองค์ก็ให้สอนให้เห็นโทษว่าการนึกคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องในขณะที่เราเป็นพระเราควรจะคิดใหม่เนี่ยสรุปแล้วคื อ, ค อ, คอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเทจ้าเนี่ยท่านเน้นหนะักเรื่องความคิดท่านมาดิเน้นหนะักเรื่องกายกายนีย่คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่ิทธิ์ถ้ารักษาใจดีแล้ว กายก็สำรวมเองวาจาก็สำรวมเองดีไปเองถ้าใจของเราออกนอกรูนอกทางแล้วนั่นละ่ะอีกสักวันหนึ่งกายก็จะออกนอกรูนอกทางวาจาก็จะออกนอกรูนอกทางเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านที่มาบวชในคราวนี้ในครั้งนี้ให้มเป็นผู้มุ่งมั่นในธรรมให้เป็นมู้ผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมสิ่งไหนที่เป็น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 แต่ว่าพวกเราขาดความสนใจความขาดความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติไม่น่าจะถูกต้องเพราะทานอาหารเขาทุกวันอาหารที่ให้เขาให้มาล้วนแล้วแต่สุดอกสุดใจของข้อที่ที่ให้มาเขากินเขาทานยังไงเหนือกว่าที่เขาทานผมเคยพูดอยู่เสมออาหารดีๆผลไม้ดีๆของที่ดีๆเขาไม่กล้าใช้ไอ้ของดีๆมา ถวายพระทำบุญกับพระเขาอยากจะได้บุญแต่พวกเราได้ทานไ ด, ได้ใช้ของเขาโดยจัดจิตใจของเขาเราได้คิดบ้างหรือเปล่ามันคุ้มค่าของเขาไหมที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ให้พวกเราคิดนะถ้าพวกเราเป็นพระเป็นสมณะ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 ได้เพียงสมาธิเท่านั้นเขาก็ได้บุญกุศลมากมายแต่ถ้าว่าพวกเราแต่ละวิษณุวรรดิมีแต่ปลอจิตปล่อยใจเอื่อละเหยลอยลมไปเลยมีแต่เรื่องโรคเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะมีแต่เรื่อง โ, โรคปวดหลงปงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาทำบุญให้มากันะพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีแล้วกันว่าเขาจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนกับเราที่เราได้ทานอาหารของเขานั้น คุ้มค่าไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมที่เราทําอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราโอปนิโกมองตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าพวกเรามองอยู่อย่างนี้แล้วนั่นแหะพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวการพูดจาพาทีกับใครการแสดงอากัปกิริยากับใครเราจะเป็นพระอยู่ตลอดเวลา เป็นศากะยะบุตรอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกอย่างนั้นแล้วคิดออกนอกหลู่นอกทางอย่างนั้นแล้วต่อไปกายวาจาของเราก็จะแข็งกระด้างขึ้นไปเรื่อยๆพูดจาพาธีอะไรออกไปก่อนไม่เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสของผู้คนที่มาพบมาเห็นพวกเราฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน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 เข้ามาแล้วก็ประพฤติตนไม่ดีอีกขาดศีลเข้าไปแล้วขาดธรรมยังไม่ได้ยังขาดศีลอีกแล้วเป็นยังไงผลมันออกมาเป็นที่พึงพอใจของเราไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอให้พวกเราทุกๆท่านคิดพอเราเป็นพระพระของรพระพุทธเจ้าพระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระ ของพี่น้องประชาชนพระสหธรรมิกทั้งหลายเราเป็นพระเป็นศากยาบุตรพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้เป็นผู้สำรวมในศีลจากนั้นก็ให้ตั้งใจภาวนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก่อนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ให้ภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่ผมเคยย้ำแล้วย้ำอีกสติตัวนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างมากในการประพุทธปฏิบัติธรรมเป็นกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าพวกเราคิดดูให้ดีไปแล้วกันถ้าคนเป็นบ้ากระสุยกระจิตในกลางถนนจะให้มาจับให้นั่ ง, งภาวนาพ้นขาดสติ พวกท่านว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าคิดดูเฉยๆก็อย่างนี้ก็ยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่พวกเราขาดสติ่แต่พิจารณาทำให้เจริญก้าวหน้าได้ไหมมีแต่เรื่องตึกเรื่องตรองเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างที่ผมพูดได้ที่พูดได้กล่าวมามันไม่เอาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนั้นแล้วจะนำมาพิจารณาให้อยู่กับพุทโธให้ได้ไหม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 ข้าพรเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดวันนี้แต่ละวันจากนี้ไปถึงเวลานะเราจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนี่แหละอันนี้คือเมื่อเรามีสติอยู่กับตนเองการก้าวเดินการเคลื่อนไหวของตัวเองอยู่ตามลําพังเราจะนั่งสมาธิเราจะเดินอย่างกลมก็มีสติสัมปชัญญะ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 จากนั้นเรานำม า, ำมาพิจารณาทางวิปัสสนาวิปัสสนุกวิปัสสนาแล้วก็การก้องไตรตรองโดยดูร่างกายของเราเราจะมองอะไรเราจะมองอสุภะร่างกายมองชิ้นเนื้อหรือเราจะมองภาพรวมม อ, มองภาพรวมก็เห็นคนเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือเห็นคนแก่ อคนแก่เป็นยังไงเราจะแก่เหมือนคนแก่นั้นไหมทำไมก่อนก็เป็นหนุ่มแน่นอย่างพวกเราแต่ต่อไปเนี่ยเขาแก่ต่อมาแล้วก็โคเจ็บต่อมาเขาเขาก็ตายเห็นคนตายไหมเราเห็นคนตายไหมที่เราไปมาติกาบังสะกุลไม่รู้เท่าไรจะเท่าไหร่เราเนี่ยจะตายไหมเราจะเป็นใครเราจะไม่ตาย อันนี้ก็คือเปรียบเทียบนอกแล้วก็เปรียบขุมารตนเองจากนั้นจะเห็นโครงกระดูกที่เขาชาระาำแลงที่พวกเราได้เห็นรูปโครงต่างๆที่รถเฉียวรถชนอะไรก็าตามที่เราเห็นเห็นอยู่เขาลงมาในห น, นังสือตัวหนังสือของหลวงตาที่เขาเอามาให้เราดูให้พวกเราพิจารณาสุภาเราพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นไหม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 แต่อีสักวันนมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายมันบังคับไม่ได้มันพร้อมที่จะเป็นสูตรตรัยรักอันนี้จังของไม่เทียเมื่อชอคไม่เที่ยเสียงั้นก็เป็นถุกอนัตตาอันนี้คือร่างกายของเราเราจะพิจารณาดูภาพ ร, รวมเปรียบเทียบเอ กับสัตว์สาล่าสิงหมูหมากาไก่ที่ล้มหายตายจากทุบพวกสัพพสัตว์หลายที่ตายแล้วก็น้อมหมาตัวเองเปรียบเทียบกับตนเองอันนี้ก็คือกรรมฐานนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วเรานํามาพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงแยกเข้าไปสู่ข้างในกําหนดตัวดูข้างในเหมือนกับเรา เห็นโคาชำแหละเนื้อจัดอย่างนั้นพวกหมูหมาก้าไก่ที่เป็นอาหารของเราอีกสักวันหนึ่งถ้าเขามาชำแหละเราหรือชำแหละอาจารย์ใหญ่หรือชำแหละใครก็ได้เขาชำแหละร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมีตับมีปอดมีหัวใจมีลำไส้มีอุจจาระปัสสาวะมีเลือดอยู่ในนั้นใช่ไหม อันนี้การสื่อสารเปรียบเทียบอีกเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่แพ้กันกับเขาจากนั้นมาพิจารณาถึงกระดูกร่างกายของเรามีโครงสร้างคือกระดูกอยู่ข้างในถ้าคนเราไม่มีกระดูกอยู่ข้างในมีแต่หนังมีแต่เนื้อมันก็เหมือนกับถุงกระเป๋าหนังหรือกระเป๋าน้ํา มันไม่มีรูปร่างเพรเหอะไรเพราะไม่มีกระดูกอยู่ข้างในในเมื่อเราเป็นอย่างนี้กระดูกของเราเนี่ยอยู่ข้างในนี่แหละที่เป็นเราอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ากระดูกมันอยู่ข้างในในเมื่อกระดูกอยู่ข้างในมันก็เป็นรูปโครงสร้าง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นกันอันนี้คือโครงโครงกระดูกอยู่ข้างในโครงกระดูกอยู่ข้างในมีอะไรบ้างเอ๋อันนี้เราก็นํามาพิจารณากําหนดดูเถอที่มันอยู่บนศีรษะของเรานี่มีสมองมีกระโหลกศีรษะไปยังไงกันดูกระโหลกเขาตัวเองอีกดูขาคัน้นไกอีกดูฟันอีก อูกกระดูกคอยกระดูกหายปลากระดูกไห่ลงไปกระดูกชี้โครงเห็นกระดูกตัวเองอีกร่างกายของเรามีโครงกระดูกเป็นหลักถ้าเราไม่มีโครงกระดูกอยู่ข้างในเรากดร่างกายของเรามีแต่นหนังอย่างเดียวหุ้มอยู่กระดูก อ, อก้ออกหมดแล้วเป็นยังไงมันก็เหมือนกระถุงหนัง นอนอยู่กับพื้นกระดุกกระดิกไม่ได้มันมีตะนาวมีตะเนือ้อสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเปรีย บ, ทบเทียบนอกเปรียบเทียบในนี่แหละวิปัสสนาสรุปแล้วก็คือวิปัสสนึกนึกคิดหาเหตุผลแล้วนึกคิดหาเหตุผลนราได้อะไรในการนึกคิดอย่างนี้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 ในเราเมื่อเราคิดดูให้ดูดีแล้วเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบหน่อยแล้วจากนั้นก็ดูตนเองอยู่ตลอดจากนั้นใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมันในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมันในร่างกายของตนเองแล้วสิ่งอื่นล่ะในสมบัติส่วนอื่นล่ะที่นอกกายจะเป็นยศฐานบันดาศักดิ์จะเป็นญาติพี่น้องวงศาติโกติกาใครใก็าตา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 พอใจเห็นจะนั่นก็เห็นอนิจจังทุกขังขนะตาปล่อยกระทั่งใจอีกปล่อยใจวางที่ใจธรรมะไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจที่มันยึดอยู่นี้คือยึดใจยึดใจหลงใจใจหลงตัวเองในเมื่อเราทําความใจในเมื่อเราทําความใจกับใจใจรู้แจ้งเห็นจริงใจเบื่อหน่ายคลาใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส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 S <S <IL EN C IO> เมื่ อ, อได้รับความสงบนัตติสันติป ร, รางสุ ข, ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี <S <S <IL EN C IO> ก็จะเกิดขึ้นในกายในใจของพวกท่านเพราะนั่นอยพวกเราทุกๆท่ทา น, นตั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติเข้ามาทังทีเข้ามาบวทในพระพุทธศาสนาทั้งทีอยู่ด้วยกันทั้งสี่สิบกว่าองค์อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจอย่าได้ ขอแท้ออนแอการเป็นอยู่ของนักพจนักบวดก็ต้องเป็นอย่างนี้ละ่ะเพราะนั้นเราเข้ามาบวชเพื่อการศึกษาเพื่ อ, เ, อเป็นนักพจนักปวดก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องออตั้งใจไม่แพ้กันผมกดจย่างมุกเพ่อนมุกเพื่อนมุกพื่อนเหมือนเหมือนกับผมแต่ข้อสําคัญเรื่องจิตจภาวนาจะให้ขาดตกบกพร่อง ในการเป็นอยู่ในการบวชของเราในครั้งนี้ส่วนอื่นจะขาดตกบกพร่องไม่เป็นไรการอยู่การชิ้นการทานได้บางได้บางเสียบางอะไรบางอันนั้นเป็นธรรมดาถึงจะเลี้ยงอิ่มนี้พีมันขนาดไหนก็เถอะอย่างที่ผมเคยพูดแล้วพูดอีกเลี้ยงร่างกายเนะี่ยมันไม่หนุ่มไปข้างหน้าหรอกอยู่ไปเท่ากับแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปพอถึงจุดจบเลี้ยงพอประมาณ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 มันไม่ใช่เรื่องของพระของสมณะของนักบุตรให้อยู่ตามลำพังต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างประพฤติธปฏิบัติธรรมนั่นละ่ะความร่มเย็นผาสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายการพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิ